คำสอนที่สิบแปดคนที่เมาประมาทขาดสติขาดสัมปัชัญญะอาจผิดศีลได้ทุกข้ออาจทำชั่วทำผิดได้ทุกอย่างและเมื่อประมาทเสียแล้วก็เป็นคนหลงอย่างเต็มที่ไม่รู้จักเหตุผลความควรไม่ควรไม่รู้จักดีชั่วผิดถูกจะพูดชี้แจงอะไรกับคนเมาหาได้ไหมคนเมาประมาท จึงเป็นผู้ที่ควรเมตตากรุณาหรือสงสารเหมือนคนตกน้ำที่ทิ้งตัวเองลงไปช่วยตัวเองก็ไม่ได้หรือเหมือนดื่มยาพิษฆ่าตัวเองคำสอนที่19คนที่ถือกำเนิดเป็นคนนั้นยังไม่จัดเป็นคนโดยสมบูรณ์ เพราะเหตุเพียงเกิดมามีรูปร่างเป็นคนต่อเมื่อมีการปฏิบัติประกอบด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสมกับความเป็นคนจึงเรียกว่าเป็นคนโดยธรรมเมื่อมีธรรมะของคนสมบูรณ์จึงจะเชื่อว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์แม้คําในหิโตประเทศก็กล่าวว่าการกินการนอนความกลัวและการสืบพันของคนและดิรชาน เสมอกันแต่ธรรมะของคนและดิวรชานเหล่านั้นแปลกกว่ากันเว้นจากธรรมะเสียคนก็เสมอกับดิวรชานคำสอนที่2ี่สิบคนเราโดยมากมีภายนอกและภายในไม่ตรงกันเช่นภายนอก รักษามารยาทอันดีต่อกันแต่ภายในคิดไม่ดีต่อกันเช่นคิดทําร้ายประหัดประหารกันหรือบางทีภายในใจไม่มีวัฒนธรรมเลยทั้งที่ภายนอกแสดงว่ามีวัฒนธรรมต่อกันเป็นการตีหน้าซื่อแต่ใจคดเรื่องเช่นนี้มีมานานแล้วจนมีคํากล่าวมาตั้งแต่ดึกดําบันว่าสัตว์ดิรัจฉานอ่านง่ายส่วนมนุษย์ อ่านยากเพราะมีชั้นเชิงมากนักเหมือนอย่างป่ารกชัดไม่รู้ว่าสิงสาราสัตว์ซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างคำสอนที่21คนที่มุ่งประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้นไม่เกื้อกูลใครเป็นจำพวกเห็นแก่ตนโดยส่วนเดียวเป็นคนคับแคบ ไม่ประพฤติการเป็นคุณประโยชน์แก่ใครอาจเจริญด้วยประโยชน์ปัจจุบันมีทรัพย์เฉพาะตนแต่เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือแก่หมูคนะ่คณะเรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบสั้นเพราะหลักของการอยู่ร่วมกันเมื่อคนอื่นพากันเป็นทุกบเดือดร้อนจะเป็นสุขอยู่ได้อย่างไรฉะนั้นคนฉลาดจึงมีความคิดยาวและกว้างออกไป เมื่อตอนเองได้ประโยชน์มีความสุขความเจริญก็ทำการที่เป็นประโยชน์แผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นตามที่เกี่ยวข้องและตามสามารถอันจะเป็นประโยชน์ในภายหน้าคำสอนที่22โดยปกติคนเราย่อมมีหมู่คณะ และถ้อยถีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงต้องมีการปลูกไมตรีผูกมิตรไว้ในคนดีๆ ด, ด้วยกันทั้งหลายเมื่อมีไมตรีมีมิตรก็เชื่อว่ามีผู้สนับสนุนทําให้ได้รับความสะดวกในกิจที่พึงทําผู้ขาดไมตรีขาดมิตรก็เท่ากับขาดผู้สนับสนุนแม้จะมีทรัพย์มีความรู้ความสามารถแต่ก็คับแคบเหมือนอย่างมีแต่ตนผู้เดียว ยากที่จะได้รับความสะดวกในกิจการอย่าว่าแต่บุคคลต่อบุคคลเลยแม้แต่ประเทศต่อประเทศก็จำต้องมีไมตรีต่อกันคำสอนที่23คนที่ฉลาดย่อมมีความคิดยาวออกไปถึงการข้างหน้า ทำในสิ่งที่ให้ประโยชน์สำหรับเด็กๆโดยปกติย่อมมีอนาคตของชีวิตอยู่อีกมากการศึกษาเล่าเรียนในบัดนี้ก็เพื่อสร้างอนาคตของชีวิตให้มีความสุขความเจริญถ้าทุกคนไม่มีอนาคตภายหน้าก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนแต่เพราะทุกคนต่างมีอนาคตจึงต้องพากันศึกษาเล่าเรียนและทาใหกิจการต่างๆ เพื่อมีความสุขความเจริญในอนาคตคำสอนที่24คนหนึ่งคนหนึ่งมีหน้าที่หลายอย่างเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของตนดีอยู่และปฏิบัติให้เหมาะแก่หน้าที่ก็จะรักษาไว้ได้ทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งศาสนาทั้งตนเองทั้งผู้อื่น สามารถรักษาปกติภาพซึ่งเป็นศีลตามวัตถุประสงค์และรักษาปกติสุขซึ่งเป็นอานิสง์ของศีลโดยสรุปศีล น, นี่แหละเป็นมนุษยธรรมเพราะทำให้ผู้มีศีลได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์โดยธรรมคิดดูว่าคนไม่มีฮิริโอต ป, ปักไม่รู้จกักผิดชอบประพฤติต่าซามจะควรเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร คำสอนที่25ไม่ควรมองออกไปแต่ภายนอกแต่ควรมองเข้ามาดูภายในด้วยคือภายในครอบครัวเพราะเด็กจำเจ อ, อยู่ในครอบครัวจึงเสวนากับบุคคลและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเป็นส่วนมากถ้ามีพี่เลี้ยงก็ควรเลือกพี่เลี้ยงที่ดีโดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่ของเด็กเช่น บิดามารดาต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กเด็กย่อมเฝ้าผูกปัญหาสงสัยและคิดแก้ปัญหาในบุคคลและสิ่งรอบๆตัวอยู่เสมอและคอยลอกเรียนดำเนินตามสิ่งที่ตนได้เห็นและผู้ใหญ่นั่นเองเป็นตัวอย่างเมื่อประสงค์จะให้เด็กดีจึงจำต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กด้วย คำสอนที่26คนโดยมากมักเข้าใจผิดในผลของความดีคือมักไปเข้าใจผลพลอยได้ว่าเป็นผลโดยตรงและมักมุ่งผลพลอยได้เป็นสาคัญเมื่อไม่ได้ผลเป็นวัตถุจากการทำความดีก็จะบ่นว่าทำดีไม่เห็นจะได้อะไรรักษาศีลไม่เห็นร่ำรวยอะไรเป็นเพราะไม่เข้าใจว่า ผลของความดีคืออะไรผลของความดีคือความหลุดพ้นผู้ทำความดีย่อมแสดงถึงว่าเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวมีจิตกว้างขวางออกไปโดยลำดับและเห็นว่าการให้สำคัญกว่าการรับและย่อมบาเพ็ญความดีเพื่อความดีไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนใดๆเป็นสำคัญ คำสอนที่27ผู้ให้อภัยง่ายก็คือไม่โกรธง่ายนั่นเองดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะฝึกจิตให้ไม่โกรธง่ายจึงควรต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีเหตุผลเคารพเหตุผลนั่นคือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตนอยากจะโกรธเมื่อเห็นอกเห็นใจด้วยเหตุผลแล้วจะได้ไม่โกรธ จะได้อภัยให้ในความผิดพลาดหรือบกพร่องของเขากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดเมตตาในผู้ที่ตนอยากจะโกรธนั่นเองคำสอนที่28อันคนที่ทำงานที่เป็นคุณให้เกิดประโยชน์ ย่อมจะต้องประสบถ้อยคำถากถางหรือการขัดขวางน้อยหรือมากผู้มีใจอ่อนแอก็จะเกิดความย่อท้อไม่อยากจะทำดีต่อไปแต่ผู้ที่มีกำลังใจย่อมจะไม่ท้อถอยยิ่งถูกค่อนแคะก็ยิ่งจะเกิดกำลังใจมากขึ้นคำค่อนแคะกลายเป็นพาหนะที่มีเดชะแห่งการทำความดีแม้พระพุทธเจ้าก็ยังถูกคนที่ริษยา มุ่งร้ายจ้างคนให้ตามด่าว่าในบางครั้ง